วันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยษัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม คัาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ไปสู่ที่สุขคติไปสู่ที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เหตุที่จะพาให้พวกเราทั้งหลาย ไปสู่สุขติไป ส, study, rin, ไสู่ความสุขความเจริญอย่างยั่งยืนนั้นก็คือบุญและกุศลต่างๆท like ี assim, ่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญ hmm. กันพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนนักท่องเที่ยวนักเดินทางเรากำลังเดินทาง ไปหาบ้านของเรากลับไปสู่บ้านของเราบ้านที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ที่เรียกว่าพระนิพพาน mm hmm. การที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการ คอยเติมเสบียงอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปทางไกลเราก็มักจะต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อที่จะได้เติมเสบียงให้กับรถยนต์ที่เราขับและให้กับผู้โดยสารและคนขับถ้าไม่คอยแวะเติมเสบียงอยู่เรื่อยๆ การเดินทางก็อาจจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาได้รถยนต์ก็อาจจะน้ํามันหมดกลางทางก็ได้หรือเสียกลางทางเพราะขาดน้ําขาดอะไรบางอย่างคนโดยสารคนขับก็จะขาดอาหารขาดเครื่องดื่มอะไรต่างๆการเดินทางก็จะไม่ไปอย่างราบรื่นไปอย่างทุกข์ยากลําบาก ถ้าไม่คอยแวะเติมสเบียงต่างๆตามสถานีบริการต่างๆจิตใจของพวกเราตอนนี้ก็ยังเป็นจิตใจที่กําลังเดินทางอยู่เดินทางเพื่อกลับไปบ้านของเราบ้านที่ปลอดจากความทุกข์ปลอดภัยปลอดจากความทุกข์บ้านที่มีพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้เดินทางไปถึงพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกท่านไม่ต้องสะสมสเสบียงอีกต่อไปเพราะท่านได้เดินทางกลับถึงบ้านแล้วเอถึงบ้านแล้วเราก็จอดรถไว้แล้วเราก็เข้าบ้านเข้าบ้านไปพักผ่อนในบ้านอย่างสบาย แต่ถ้าเรายังเดินทางไม่ถึงบ้านเราก็ต้องขับรถต่อไปก็ต้องคอยเติมสเบียงอยู่เรื่อยๆการเติมสเบียงของเรานี้เราก็จะเติมได้ช่วงที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับการเข้าสถานีบริการเพื่อเติมสเบียงต่างๆ ให้แก่รถยนต์และให้กับผู้โดยสารภพของมนุษย์นี้เป็นภพเดียวในในตายภพในภพทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่สามารถที่จะสะสมสะเสบียงได้สเสบียงก็คือบุญกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมั่นบำเพ็ญกันอยู่เรื่อยๆ ให้สะสมสบียงกันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่มีสบียงเราจะเดินทางไม่ถึงบ้านและเราจะเดินทางด้วยความยากลำบากทุกทรมานแต่ถ้าเราคอยสะสมบุญบา ร, รมีอยู่เรื่อยๆสบียงอยู่เรื่อยๆบุญกุศลหรือบุญบา ร, รมีเหล่านี้ก็จะเป็นผู้คอยสนับสนุน ให้เราได้เดินทางอย่างสะดวกสบายและถึงบ้านของเราได้อย่างปลอดภัยไม่ช้าก็เร็วชาตินี้พวกเราโชคดีที่เรามาพบกับผู้ที่รู้ทางของการกลับไปบ้านก็คือพระพุทธเจ้านะพระ อาเรียสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ไปถึงบ้านแล้วน้าก็เลยออกมาบอกพวกเราให้รู้จักวิธีของการเดินทางเดินทางแบบทางรัดเดินทางแบบสามารถไปถึงบ้านได้ในภพนี้ชาตินี้เลยถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติได้เราก็จะสามารถที่จะไปถึงบ้านของเราได้ในภพนิชาตินี้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะไม่สามารถกระทาตามได้เพราะผู้ที่อยากจะไปถึงบ้านคือไปถึงพระนิพพานในภพนิชานี้นี้ ส่วนมากต้องเป็นผู้ที่ออกบวชกันเป็นผู้ที่จะต้องไปถือศีลศีลของนักบวช อ, อย่างน้อยก็ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลรยยแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเดินทาง ก็ให้ถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วผู้ที่ต้องการที่จะไปบ้านในทศนี้ชาตินี้ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาคอยบอกเทคอยบอกคอยสอนทางว่าถ้าอยากจะไปก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชต้องละเว้นจากการแสวงหาความสุขทางโลก ไม่หาความสุขทางลาบยศสารเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็ไปอยู่ตามวัดสถานที่สงบสงัดวิเวกตามป่าตามเขาเพื่อจะได้บำเพ็ญสมาธิและปัญญาตามลำดับถ้าสามารถปฏิบัติออกบวชได้พบนี้ชาตินี้ก็จะสามารถ ไปถึงบ้านก็คือไปถึงพระนิพพานได้เช่นบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังชื่อเสียงของท่านในสายปฏิบัติตั้งแต่หลวงพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นลงมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวพระอาจารย์หลวงพ่อมีอมวัดสงการามพระอาจารย์ฟัน่หนหลวงปู่แหวน คุณอาจารย์เหล่านี้ท่านได้เดินทางถึงบ้านของท่านแล้วเพราะท่านมีความสามารถที่จะออกบวชได้รักษาศีลของนักบวชไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการหานาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายลุ่งไปสู่การปลีกวิเวก อยู่ตาม ส, าสถานที่สงบสงดเพื่อเจริญสติให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบให้มีสมาธิให้มีอุเบกขาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะออกทางปัญญาท่านก็จะพิจนาเรื่องของายรักเรื่องของอริยสัจสี บาเพ็ญกันอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับวั น, ว, นวันหนึ่งถ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครช่วงที่หลวงปู่มัน่นท่านบำเพ็ญเพื่อให้การให้ได้ไปถึงบ้านของท่านนี้ท่านต้องไปปีกเว่ย์อยู่กับชาวป่าชาวเขาบนดอยในเชียงใหม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไปบินทบาดกับชาวเขาเสร็จกลับมาก็พักที่ อที่พักของท่านท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิที่พักก็ไม่มีอะไรมีแค่เล็กๆ ก, ก, กันแดดการฝ น, นพอกันแดดกันฝนได้แต่เป็นที่สงบสงดัดไม่มีใครมารบกวนท่านอันบำเพ็ญแบบนั้นถ้าอยากจะไปถึงบ้านในภพนี้ชาตินี้ต้องลองศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆดู ท่านต้องปีกวิเวกันทุกรูปเป็นพระทุดงกรรมาฐานทุดงก็ถือข้อทุดงเขาวัดต่างๆเพื่อความมักน้อยสันโดษก<ม>็คือมีอัฐาบริขารเป็นสมบัติเท่านั้นมีสมบัติอยู่แปดชิ้นคือหนึ่งบาทไว้สำหรับบินทบาทหาอาหารสองมีผ้าสามผืนผ้าจีวอนที่เรียกว่าผ้าไตาจีวอน เป็นเครื่องนุม่มเครื่องนุ่มหอมแล้วก็มีเข็มขัดรัดเอวกันผ้าหลุด<ม>แล้วก็มีเข็มก็ได้ไว้เวลาถ้าจีวรขาดก็จะได้ใช้เข็มก็ได้นี้เย็บซ่อมได้แล้วก็มีมีดโกนไว้สำหรับปองผ ม, ม, มปองหนวดแล้วก็มีที่ตักน้ำที่กรองน้ำ เพื่อจะได้เวลาตักน้ำขึ้นมาในตามลำห้วยตามลำทานจะได้ไม่ได้ตักตัวลุตตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยก็มีสมบัติแค่แปดชิ้นนี้เท่านั้นที่มีไว้สำหรับเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำรงชีพของร่างกายอยู่แบบมากน้อยสันโดษถือทุดงขวัดบินระบาด ท, ทุกวัน ถ้าไม่บินสบายก็ต้องอดเพราะไม่มีใครจะเอาอาหารมาให้อยู่ในป่านึกแบบนั้นต้องไปบินสบายกับชาวป่าชาวเขา mm. แล้วก็อยู่แล้วก็ฉันมือเดียว mm. เพื่อไม่ไม่ให้ยุ่วุ่นวายกับการเรื่องการขบฉันฉันแบบเรียบง่ายได้อะไรมาก็ฉันไป mm. ฉันในบาทจะได้ไม่ต้องมีภาชนะ ติดตัวไปแบบรุงลังไม่ต้องมีจานข้าวไม่ต้องมีชามไม่ต้องมีช้อนมีบาทใบเดียวถามารถบินบาทหาาหารมาได้แล้วก็ฉันในบาดใช้มือฉันพราะ ป, ปา่าท่านจะนิยมใช้มือฉันไม่มีช้อนติดตัวไปเวลาบวชก็ไม่มีช้อนเวลาไปบวชในบสก็ไม่มเอาช้อนติดตัวไปในบสถ บุปชาที่บวชให้ก็ให้แค่อัฏฐาบริฐานให้สมบัติแปดชิ้นกับพระไว้สำหรับใช้เท่านั้นเองคนที่ปรารถนาการหลุดพ้นนี้จะต้องมักน้อยสันโดษไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องที่วาสัยก็ขอให้เป็นที่สงบสงัดอยู่ในป่าในเขาไม่ต้องไปสร้างกุติไม่ต้องไปสร้างอะไร พระเจ้าสอนให้อยู่ตามโคนไม้ให้เอากิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพิงกันแดดกันฝน้รแห่บริญถานที่ที่เหมาะต่อการเจริญบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบอันนี้คือสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่ก้า มีพลังจิตสูงนี <c oughs> ่สามารถที่จะไปอยู่ <c oughs> กับความขาดแคนกับความทุละกันดารต่างๆ <c oughs> เพื่อได้ที่สงบสงัดวิเวกที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเดินทางให้ไปถึงบ้าน <c oughs> ก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานถ้าใครมีอินทรีย์ แก่กล้าเหล่านี้แล้วมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา mm hmm. มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถเดินทางให้ไปถึงบ้านได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลย mm hmm. ถ้าไม่ถ้าไม่ประมาทไม่เกียจคร้าน mm hmm. เมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญอย่างเต็มร้อยที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโน mm hmm. ปฏิบัติดี ก็คือปฏิบัติอย่างเต็มร้อยปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการสอนให้เจริญสติสอนให้ฝึกสมาธิสอนให้พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสี่ก็ทำได้อย่างต่อเ น, นื่องนสามารถที่จะกำจัด กิเลสปัญหาตัวที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการเดินทางให้ไปสู่พระนิพพานได้แต่สาหรับพวกเรานี้ถ้ายังไม่มีพลังพอไม่มีกำลังพอที่จะออกบวญสิ่งที่เราต้องมาทำกันก็นกคือต้องมาสะสมสเสบียงที่จะพาให้เราเดินทางไปต่อไปได้หลังจาก ที่เราตายจากพมนี้ชาตินี้แล้วแล้วชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้กลับมามีพระพุทธศาสนามาคอยบอกทางมาคอยสอนเราแต่ถ้าเรามีการสะสมสบียงไว้อย่างสม่าเสมอเราก็จะสามารถอาศัยสบียงที่เราสะสมนี้พาเราให้ไปไปถึงบ้านของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนา เช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่มาบวชที่มาเกิดแล้วก็ออกบวชในยุคนั้นก็ไม่มีพระพุทธศาสนาสิ่งที่ผักดันให้เจ้าชายสิทธัตถะสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้ก็คือสบียงต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสะสมไว้มาตลอดหลายภพหลายชาติด้วยกัน จึงทำให้พระ อ, องค์นี้สามารถที่จะเดินทางไปถึงบ้านได้ด้วยพระ อ, องค์เองไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพาอาาระอัลานตัาวโลกรูปใดรูปหนึ่งมาเป็นผู้คอยสอนคอยบอกทางให้กับท่านท่านอาศัยสเสบียงที่ท่านได้สะสมไว้ในแต่ละภพกต่ลชาติ พบที่ท่านมาเกิดในเป็นมนุษย์เนะี่ยเป็นพบที่ท่านมาสะสมสเสบียงสเสบียงที่พระพุทธเจ้าทรงสะสมนี่เราเรียกว่าบารมีสิบประการบุญบารมีสิบประการถ้าใครตัก็ตามถ้าต้องการที่จะเดินทางไปถึงพระนิพพานถึงบ้านของตนได้อย่างโดยที่ไม่ต้องมีผู้อื่นมาคอยสอนคอยบอก ก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้เพราะว่าภพชาติของเราทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเจอพระพุทธศาสนาทุกครั้งไปเพราะพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในโลกตลอดเวลาเป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือน ดาวตกเดาวดาวตกนี่นานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งอันใดพระพุทธศาสนาที่จะมาปรากฏในโลกนี้ก็นานๆจะมีสักครั้งแล้วก็ตั้งอยู่ได้ในในเวลาอันไม่นานเช่นพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าได้ทรงก่อตั้งขึ้นมาในขณะนี้ที่พวกเราอาศัยเป็นเป็นผู้นําทางสอนให้เรากลับบ้านกันนี้ ก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกินห้าพันปีนันเองแล้วก็ได้อยู่มาสองพันกว่าร้อยปีแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีพระพุทธศาสนานี้ตั้งมา <c oughs> อยู่ในโลกนี้มาได้สองกึ่งละเกินครึ่งทางละเหลืออีกไม่กี่เหลืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีพระพุทธศาสนาก็จะสูญจะลายไป ที่ศูญสลายก็เพราะว่าไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามเลยทำให้ไม่มีใครเข้าใจคำสั่งคำสอนเลยสามารถเลยไม่สามารถที่จะนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า อ, อมาปฏิบัติเพื่อพาให้ไปถึงพระนิพพานกันได้ ต่อไปเราตายหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กเมื่อไหร่เพราะตามตำราตามที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายยากกว่าการมาเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานหลายแสนหล้านล้านเท่าสัตว์เดรัจฉานนี่เขามีพวกเยอะเขามีการทอดกันออกมาเป็นฝูง เกิดได้ง่ายกว่าแล้วก็การเป็นมนุษย์นี่มนุษย์ก็มีจำนวนน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉาน mm hmm. แล้วผู้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็า จ, จะต้องเข้าคิวรอว่าที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปี <c oughs> และนอกจากรอคิวแล้วก็ก่อนที่จะมารอคิวก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปเองรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่าง รับผลบผลบาปนายบายในเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนเป็นหรือเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตอสุรกายหรือนรกก่อนดังนั้นข่าวหน้าที่พวกเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี้ก็อาจจะเกินห้าพันปีไปแล้วก็ได้การมาเกิดข่าวหน้าพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มีเหลืออยู่ในในโลกนี้แล้ว ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้จักศาสนาว่ามีไว้ทำาไมอย่างมากก็มีไว้กราบพระพุทธรูปเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่ากราบไปเพื่ออะไร <c oughs> อนันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปในอนาคตหลังจากที่พวกเราตายไปแล้วถ้าเรายังไปไม่ถึงบ้านของเราไม่ไปไม่ถึงพันิิพานเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ แล้วกว่า จ, จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็อาจจะพ้นยุคพ้นสมัยของพระพุทธศาสนาขององค์ปัจจุบันนี้แล้วเราก็อาจจะต้องรอไปพบกับพระพุทธศาสนาองค์ต่อขององค์ต่อไปของพระศรีอารซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเกิดเมื่อไหร่จะมาปรากฏขึ้นในโลกนี้เมื่อไหร่ าจังหวะที่เรามาเกิดจะเป็นจังหวะเดียวกับการมาเกิดของพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันได้รับรองได้ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราคอยสอนบอกทางเราสิ่งที่เราต้องอาศัยเป็นผู้บอกทางเป็นผู้พาเราไปก็คือสเบียงต่างๆก็คือบุญบรารมีต่างๆ อย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องนี่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่กันอันนี้แหละจะทำให้เป็นตัวที่จะคอยผลักดันคอยดึงให้ไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนคอยบอกแต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา แล้วผู้บำเพ็ญก็ได้สะสมบุญบา ร, รมีมาอย่างมากมายก็สามารถที่จะออกบวชและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างในยุคนี้สมัยพุทธกาลนี้มีคนบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายรวดเร็วบางคนฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นนักบวชเป็นคาราะผู้ครองเรือนี้ แต่มีบารมีสะสมไม่มากขาดเพียงแต่ปัญญาบารมีที่ยังไม่ครบถ้วนรอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เติมให้เท่านั้นเองแต่ปัญญาได้บารมีอย่างอื่นนี้ได้สะสมมาพร้อมแล้วขาแต่ความรู้ในด้านในด้านอริยสัจสี่กับความรู้ในด้านใจรักท์ท้งนั้นเองที่ไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระพุทธเจ้า ออพระพุทธเจ้าบอกปั๊บแสดงธรรมแสดงอริยสัจสิแสดงตายรักให้กับใครใครที่มีได้มีบุญบา ร, รมีเก่ามาสะสมมาเยอะก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ทันทีแล้วในสมัยพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุธรรมช้าเร็วต่างกันไปเพราะแต่ละคนได้สะสมสะเสบียง คือสะสมบุญบรารมีมาไม่เท่ากันเท่านั้นเองบางคนก็ฟังเทศครั้งเดียวก็บรรลุได้บางคนก็ต้องบวชแล้วก็ปฏิบัติบางคนก็เจ็ดวันก็บรรลุได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีบางคนก็มากกว่านั้นก็มีแต่ถ้ามีความเพียรพยายามมีบุญบรารมีคอยผลักดัน มีคำสั่งคำสอนคอยนำทางก็ยังสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ในภพนิชานี้นี่คือสิ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเดินทางไปถึงบ้านได้ได้ง่ายได้เร็วได้ช้าได้ยากก็อยู่ที่องค์ประกอบสองสององค์ด้วยกันคือมีพระพุทธศาสนาคอยสอนคอยบอกทางให้เราหรือไม่ แล้วเรามีบุญบา ร, รมีเพียงพอที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่มถ้ามีสองอย่างนี้แล้ว<ม>ก็สามารถที่จะเดินทางไปถึงบ้านของเราได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลย<ม>ถ้าเรายังไม่สามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้ในภพนี้ชาตินี้<ม>ก็แสดงว่าบุญบา ร, รมีของเรานี้ยัง ยังมีน้อยยังมีไม่มากพอไม่สามารถผลักดันจิตใจของเราให้เดินไปตามทางที่พูะเจ้าทรงสอนให้เดินได้ก็คือให้ออกบวชให้ให้ไปปฏิบัติธรรมให้ไปปีกวิเวกอยู่กันอยู่ตามนอมพังจเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องคนที่มาบวชทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานได้กันทุกคน งคนมาบวชแล้วก็ไม่มีบารมีไม่มีพลังที่จะผลักดันให้ไปปฏิบัติทุดงควัตต่างๆได้ไปปีกวิเวกไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปศึกษากรรมฐานศึกษาอาการสามสิบสองของร่างกายศึกษาทรากศพต่างๆ<ม>ถ้าไม่มีบุญบารมีพอนี้จิตใจจะไม่กล้าหารพอที่จะไปเจอ ความจริงของชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายได้ <c oughs> ดังนั้นการมาบวชนยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปถึงพระนิพพานได้ถ้าบรารมีเก่าไม่ได้สะสมมาเพียงพอการบวชก็อาจจะเป็นการบวชเพื่อเหตุผลทางด้านอื่นก็ได้เช่ <c oughs> นสมัยนี้บวชหน้าไฟกันก็เยอะ <c oughs> บวชเช้าสึกเย็น ถ้าบวชแบบนี้มันไม่ได้อะไรเนื้อบวชแล้วก็ไม่ไม่ปฏิบัติเอาแต่เรียนอย่างเดียวเอาแต่สวดอย่างเดียวเอาแต่ทํากิ จ, จวัตรของพระคือบุญบางสังส่วนอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกะันพวกที่จะไปได้ก็พวกที่นะบวชแล้วถือทุวดงขาวัตรเป็นพระทวดงกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐาน กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ไว้ใช้ในการเจริญสติและเจริญปัญญานั่นเองมีกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันปฏิบัติกรรมฐานเป็นเป็นงานหลักงานบุญบางสังส่วนนี่ตัดไปเลยไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยงานพิธีกรรมอะไรต่างๆกิจนิมนต์อะไรต่างๆนี่ตัดไปหมดเ้าแต่การปฏิบัติกรรมฐานกับทวดงขวัตรทุวดงขวัตรก็ บินาบาตเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดฉันในบาตเป็นวัดถือผ้าสามผืนถือผ้าบางสกุลือถือผ้าที่เ้าทิ้งแล้วในป่าช้าผ้าหอ่อศพเอาผ้าห่อศพมาทําเป็นกิวอัอาศัยอ <c oughs> แต่สมัยนี้อาจจะหายากผ้าบางสกุลเพราะสมัยนี้เราไม่นิยมเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้าเหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณเขาไม่เผาไม่ฝัง เวลาคนตายก็เอาผ้าหอ่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยไปสมัยนี้มีผ้าบางสกุลก็เป็นผ้าบางสกุลตองเป็นผ้าที่ตัดเย็บมาจากร้านแล้วเอามาตั้งไว้ที่ข้างลมข้างโรงศพต บ, บนเมนเนี่ยตอนก่อนที่จะมีการเผาศพนี่จะมีมนิมนต์ผ้าไปขึ้นไปชักผ้าบางสกุลสี่สี่รูปด้วยกันผ้าบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพ แผ้าบางสกุลสมัยนี้เป็นผ้าสวยงามตัดเย็บมาจากร้านห่ออย่างสวยงามพอด้วยกระดาษพลาสติเห็นแล้วก็ไปวางไว้ข้างลงศพข้างหน้าลงศพแล้วก็ให้ผ้าไปชักผ้าออกคำว่ า, าชักผ้าก็คือชักผ้าออกจากศพนั่นเองในสมัยโบราณเขาทำอางนั้นเวลาพระต้องการ ทีจะเย็บจีวรตัดเย็บจีวรก็ไปหาผ้าในป่าช้ากันอันนี้คือการอยู่ของผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าหรือมีบารมีสะสมมาที่แก่กล้าที่จะมีความสามารถปฏิบัติคุโดองกวัตรเหล่านี้ได้ถ้าไม่ได้บําเพ็ญมานี่จะไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหา ที่ชอบอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะให้ฉันมือเดียวก็ฉันไม่ไหวต้องฉันสองมือเป็นต้นจะให้ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้กลัวเสิงสาราสัตว์กลัวผีอะไรต่างๆต้องอยู่ตามบ้านตามเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่สาหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงบ้านในภพนิชานี้ ต้องอาศัยบารมีเก่าที่ได้สะสมมาถ้าไม่ได้สะสมบารมีเก่านี้ก็ยากที่จะสามารถที่จะถึงแม้จะได้ออกบวชก็ตามแต่ออกบวชแล้วก็มักจะไปติดกับภารกิจอย่างองื่นไปติดภารกิจทางบุญบางสังสว่วนเพราะยิ่งสมัยนี้ญาติโยมต้องอาศัยพระในเรื่องการของการหาบุญกันทำบุญกันก็ต้องนิมนต์พระไปทา พิธีกรรมต่างๆบุญบางสังส่วนงานบุญเวลาย่าโยมจะทำบุญว่าขึ้นบ้านใหม่หรือบุญอะไรก็ตามก็ต้องนิมนต์ผ้าไปในสวดแล้วเวลาคนตายก็นิมนต์ผ้าไปชักผ้าบางสกุลบุญบางสังกสัตรทานบางทีก็อยากจะถวายถวายของให้กับสงฆ์เช่นถวายกุฏิ ถวายบสถ์ถวายเจดีย์ถวายพระพุทธรูปถวายผ้ากรถินเรียกว่าเป็นสังกัดฐาน mm hmm. ก็ต้องนิมนต์พระเองพระก็ต้องไป mm hmm. แล้วบางทีพอญาติโยมญาติพี่น้องเสียชีวิตไปก็นิมนต์พระไปสวดเนียสวดบางสกุลสวดมาติกาบางสกุลพระในยุคนี้ก็เลยกลายเป็นพระที่ทําแต่พิธีกรรม แล้วถ้าไม่มีใครสอนก็ไม่รู้ความหมายเดิมของการมาบวชว่าบวชเพื่ออะไรความหมายเดิมก็คือบวชเพื่อให้ให้เราได้เดินทางถึงบ้านของเราเพื่อให้ถึงพระนิพพานในภพนี้ชาตินี้ตามกระบวนการคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติแล้วก็ให้ไปเปริกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่วัดป่าวัดเขาปฏิบัติทุดงเขวัด ปฏิบัติกรรมฐานจะลานสติด้วยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm. เช่นพุทโธพุทโธหรือกายกตาสติหรืออาณาปณะสติเป็นต้นอันนี้จะไม่ค่อยเข้าใจกันสมัยนี้คนที่มาบวชกันส่วนใหญ่ที่มาบวชเพื่อมาทำทาพิธีกรรมมาทาพิธีกรรมเช่นนี้คือหน้าที่ของพระบวชแล้วก็จะได้มา ทำเรื่องบุญบางสังสว่วนญาติโยมจะได้ได้บุญใช่ญาติโยมได้บุญแต่พระไม่รู้ได้อะไรได้เงินเงินก็เป็นไฟนระกดีๆนี่พอได้เงินแล้วกิเลสมันก็ออกมาอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนู่นอยากมานี่ญ <c oughs> าติโยมได้บุญญาติโยมเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปแต่พระอันนี้กลับมาสะสมเงินทอง เพื่อที่จะไปใช้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้ามาบวชแบบนี้ก็มันก็ไม่ได้อะไรมากมายไปไม่ถึงไปไม่ถึงพระนิพพานอย่างแน่ น, นอนต้องบวชแบบครูบาอาจารย์ต่างๆพระป่าเนี่ยจะให้กรรมฐานลองไปศึกษาประวัติของท่านดูแต่ละรูปไม่มีรูปไหนไม่ได้ไปอยู่ในป่าไมไ่ไม่มีรูปไหนไม่ได้ไปทุดงตีพิเวกตามป่าตาเขา ท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่สงบสงัดนิเวกห่างไกลจากของยั่วยวนต่างๆคือแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าพชนิดต่างๆ<ม>ท่านถึงสามารถเดินทางไปถึงท่านิผ่านได้ในภพนิชาตินี้เลย<ม>แต่สำหรับโลกเราที่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติแบบนั้นได้สิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือ การสะสมสบียงหรือบุญบรารมีไว้เท่านั้นเองสะสมให้มันติดเป็นนิสัยไปให้ได้ไม่ว่าเราจะไปเกิดขั้งใดที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาทาสะสมสบียงบุญบรารมีต่อโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนเราคนบางคนนี่เราสังเกตดูเขาเกิดมาแล้วนี่เขาจะเขาจะชอบทาบุญชอบสร้างบรารมีเขามีความเมตตา บารมีเรมีทานบารมีเรามีศีนบารมีเรามีเนคขมะบารมีเรามีอุเบกขาบารมีมีปัญญาบารมีมีอธิษฐานสัจจะบารมีมีวิริยะบารมีมีอุเบกขาบารมีมีขันติบารมี ถึงแม้ยาวยังมีไม่มากพอแต่มันมีเชื้ออยู่ในตัวเขาในชีวิตจิตใจของเขาเวลาเขามาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่เขามักจะมาสะสมบุญบา ร, รมีเหล่านี้ต่อไปมาจะเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ไม่เกลียดชงังผู้มีความยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับทุกคนมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ มีความยินดีที่จะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นและมีความยินดีที่จะให้อภัยไม่ถือโทษโกิดเคืองไม่อาฆาตพยาบาท น, นี้เป็นหนึ่งในบาลมีสิบก็คือเมตตาบารมีคนที่มีเมตตาบารมีที่สะสมมานี้จะเป็นคนที่มีไมตรีจิตเป็นคนที่ไม่เกลียดชังใคร เวลาใครทําอะไรให้เขาเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมเวลาที่มีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็มักจะชอบเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาทําอะไรก็จะไม่ไไมม่่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ไม่ไม่เบียดเบียนผู้ไม่ทําให้ผู้เดือดร้อนถ้าทำแล้วเดือดร้อนก็จะไม่ทํา นี่คือคนลักษณะของของเมตตาบาลมีนี่ก็คือบาลมีที่ที่ที่พระเจ้าทรงได้บำเพ็ญได้สะสมมามีพระเมตตากับทุกสรรพสัตว์ทั้งปวงและการที่จะให้การที่จะให้ความเมตตานี้ไม่ได้ให้ด้วยการนั่งสวดมนต์ในโบสถ์หรือในในบ้านแล้วเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเรามักจะนิยมสวดบทแผ่เมตตากัน การสวดบทแผ่เมตตานี้ต้องเข้าใจนะเป็นการสวดเฉยๆเป็นการเป็นการใช้บทแผ่เมตตามาเจริญสติมาทำจิตใจให้สงบเท่านั้นเองหรือมาสอนใจมาเตือนใจว่าความเมตตานี้มีอะไรบ้าง<ม>เช่นสัเพสตัตตาเวลาหงนต<ม>ุเราจะไม่มีเวรกับเราจะไม่จองเวรจองกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งปวง อันนี้คือการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตาแต่การแผ่เมตตาจริงๆนี้ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกัน mm hmm. เช่นตอนนี้เราเจอกันนี้เราไม่ควรแยกเคี้ยวใส่กันแ mm hmm. ยกเคี้ยวใส่กันก็แสดงว่าเราไม่ได้แผ่เมตตา mm hmm. เราลองจะยิ้มให้กันทักทายกัน mm hmm. หรือมีอะไรมาแบ่งปันกันแล้วก็เอามาแจกเอามาจ่ายกัน mm hmm. อันนี้ต่างหากคือการมีความเมตตา mm hmm. ไม่ใช่มีความเมตตาเพราะนั่งอยู่คนเดียวแล้วนั่งสวดบทสัพเพสตาแล้วจะมีความเมตตาไม่ใช่อยู่ที่การกระทาการแผ่เมตตาก็คือการกระทาไม่ใช่การสวดการสวดนี้ยังไม่ได้แผ่จะแผ่ก็ต้องแผ่ตอนที่เราเจอกับผู้คนต่างๆหรือมือสัตว์ต่างๆเจอสัตว์แล้วก็แผ่เมตตาเหมือนกันไม่ทำร้ายเขา ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์ ร, ร้ายเช่นเจองูเจอสัตว์ที่อาจจะทําร้ายเราได้ก็ตามเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังไม่อย่าให้เขามาทําร้ายเราแล้วก็ถ้าเราสามารถเอาเขาไปอยู่ในที่ไม่มาสร้างความเสียหายหเดือดร้อนได้ก็จับเขาไปปล่อยในป่าอย่างนี้แต่จะไม่คิดฆ่าเขาถ้าเป็นคนที่มีความเมตตาเพราะว่าสัตว์ทุกชีวิต สัตว์ทุกชนิดทุกชีวิตนี้รักชีวิตของตนเองเท่าๆกันเรารักชีวิตของเราอย่างไรเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นเราไม่ต้องการให้ใครมาท our, ําร้ายเราเขาก็ไม่ต้องการใครให้เขามามทําร้ายเขางนั้นถ้าเราอยากจะมีความเมตตากับเขาเราก็ต้องจับเขาไปปล่อยที่ปลอดภัยอย่าไปกักขังเขาไว้อย่าไปทําร้ายเขาเพราะเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาจับเราไปกักขังไว้ ถึงแม้เราอาจจะทำร้ายผู้อื่นแต่ทางโลกเขาก็ยังต้องต้องกำจัดเราต้องแยกตัวเราออกจากสังคมเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นถ้าเราทำร้ายผู้อื่นเขาก็มักจะจับเราไปขังในคุกในตารางเพื่อไปสงบสติอารมณ์เพื่อให้ได้มีการสำนึกความผิดของตนเองว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีใครปรารถนาให้ทำ เพื่อที่จะแก้ตัวได้หลังจากคุ้นโทษแล้วก็จะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นี้เท่านั้นเองอผู้ที่มีความเมตตานี้จะไม่คิดที่จะจองล้างจองเวรกันจองเวรจองกรรมกันจะให้อภัยกัน น, นี่คือตะเบียนข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามทํากันบ่อยๆ ทำกันมาก ๆ, ๆทําให้มันติดเป็นนิสัยไปต่อไปเวลาเราไปเกิดทบหน้าชาติหน้าไม่มีใครสอนเรื่องบารมีสิบเราก็มีบารมีสิบติดไปกับตัวเราแล<ม>้วเราก็จะทําโดยอัตโนมัติเราเคยมีความเมตตาอย่างไรเวลาเราไปเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีความเมตตาอย่างนั้นเหมือนเดิ ม, มนี้คือบารมีข้อที่หนึ่งและสะบียงข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะสะสมกัน พ้อที่สองพระพุเจ้าก็บอกว่าให้สะสมทานบารมีให้เราเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรืออะไรก็ได้ที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่เราสามารถที่จะแบ่งให้ผู้อื่นเขาได้ให้ผู้อื่นเขาได้ไดรับความสุขได้รับประโยชน์จากของที่เราให้เขาไปเราก็ควรที่จะทําทานอยู่เรื่อยๆทานก็แปลว่าการให้ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้กับกับพระเท่าทนั้นถึงจะเป็นบุญให้กับใครก็เป็นบุญคือการให้นี้จะทําทให้ใจเราเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความสบายใจเกิดความอิ่มใจจะช่วยลดละความอยากต่างๆกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางลงได้ความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลดนี้จะถูกการให้ทานนี้ลด ลดพลังลดกำลังของมันให้ลงให้น้อยลงได้แต่ยังไม่หมดยังต้องอาศัยบา ร, รมีข้ออื่นมาช่วยกาจัดต่อไปแต่ข้อแรกนี้ก็คือขอให้เรารู้จักแบ่งปันเสียสละ <c oughs> อย่าเอาแต่ได้อย่างเดียวอย่าเอาอยากคิดแต่เห็นแต่ตัวเพียงอย่างเดียวคิดถึงผู้อื่นบ้างผู้อื่นเขาก็มีความทุกข์ยากเดือร้อน้น ถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาเขาก็จะได้มีความสุขบ้างในทางตรงนข้ามถ้าเกิดเราทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วคนอื่นเขามีความเมตตาให้ทานเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะรู้สึกขอบอกขอบใจรู้สึกดีใจสบายขึ้นความทุกข์ยากลาบากน้อยลงไปจากการให้ของผู้อื่นเราต้องฝึกการให้อย่าหวงทรัพย์สมบัติเก้าวของเงินทอง ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้หรือจะต้องใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอามาแลกเป็นทานบา ร, รมีดีกว่าเอามาแลกเป็นสเบียงดีกว่าสเบียงมันก็จะติดติดไปกับใจของเราคือการให้การเสียสละพร้อมหน้าชาติหน้าเราไปเกิดพอเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราก็จะคิดถึงเรื่องของการทำบุญทำทาน ท, ทันทีเราจะไม่คิดถึงเรื่องของการสะสมไวมากมาก พอรู้อยู่ดีว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายไปเราตายไปสิ่งที่เราสะสมเก็บเอาไว้นี้ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราเลย<ม>นอกจากไม่มีคุณแล้วอาจจะกลายเป็นโทษเพราะมันจะสร้างนิสัยของความตนันีของความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในใจของเรา<ม>การทำทานนี้เราจะลดนิดสัยความตนันนีความเห็นแก่ตัวของเราลงไป เพราะความเห็นแก่ตัวความตนีนี้มันเป็นตัวเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ไม่สบายใจการให้การไม่มีความตนีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนี้มันจะทำให้ใจเรากว้างใจเราสบายดัยงนั้นเราต้องพยายามทำบุญทำทานไปเรื่อยๆถ้าเรามีกำลังพอที่จะทำได้ อ, อย่าไปเสียดายเงินทองเช่ว่าเหมือนกับเอาไปซื้อของ เวลาเราอยากได้ของอะไรนี้ราคาแพงเท่าไหร่เราก็ยินดีจ่ายเพราะเราอยากได้สิ่งที่เงินทองเราไปสามารถเอาไปแลกมาได้ก็ให้เราคิดว่าเราไปแลกเอาบารมีมาเขาเล่กันข้าของเงินทองนี้มีไว้เพื่อให้เราได้มาแยกม า, มาแลกกับกับทานบารมีถ้าเราไม่ทำบุญทำทานเราไม่แบ่งปันไม่บริจาคไม่เสียสละ เราก็จะไม่ได้ทานบารมีเมื่อเราไม่มีทานบารมีนี้โอกาสที่เราจะไปเดินทางถึงบ้านของเรานี้ก็จะเป็นไปไม่ได้จะไปไม่ถึงบ้านของเราเพราะเราจะติดอยู่กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ตายไปเวลากลับมาเกิดเจอทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็จะยึดจะติดจะห่วงจะโลภจะอยากได้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆ แทนที่จะเอาเวลามาสะสมบารมีข้ออื่นก็สะสมไม่ได้อนนี้ก็คือข้อที่สองเองสเบียงข้อที่สองที่เราควรสะสมกันก็คือการทำบุญทำทานทำอย่างสม่าเสมอทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วเวลาต่อไปชาตนิน้ากลับมาเกิดใหม่มันจาต้องไม่ต้องมีใครมาสอนไม่มีใครมาบอกสังเกตดูแต่คนบางคนนี่เขาชอบทำบุญทำทานของเขา ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาสองเราห้ามเขาก็ไม่ได้ด้วยเขาจะเขาอยากจะทําเห็นเขาเห็นเขาทุกข์ยากลําบากแต่เขาก็ยังทําบุญทาทานของเขาได้อยากจะให้เขาสุขสบายเอาเงินไปใช้กับตัวเขาเองเขากลับไม่ไม่เดือดร้อนเขาอยู่ได้เขาอยู่แบบว่าเขาอยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์ได้เขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีของข้าวของหรูหรามีอะไรต่างๆมากมายพอเขามี พอมีพอกินแล้วถ้าเขามีเหลือเขาก็เอาไปทําบุญทําทานเพราะการทําบุญทําทานนี่ทําให้เขาได้ดมีความสุขมากกว่าการที่เขาเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นพยายามทําไปเรื่อยๆทําบ่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยบรารมีทุกข้อแล้วท่านหน้าเวลาที่เรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนคอยบอกให้เราสร้างบรารมีเหล่านี้ เราก็จะไม่ต้องมีใครมาบอกเราจะทำไปโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ตายก็คือร่างกายในร่างกายนี้ไม่มีบา ร, รมีแม้แต่ข้อเดียวมีแต่ดินน้ำลมไฟมีแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เวลาที่ร่างกายตายไปเราก็เสียอาการสามสิบสองไปเสียธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปเท่านองแต่บุญบา ร, รมีบา ร, รมีต่างๆคือสเสบียงที่เราสะสมนี้ มันอยู่ในใจของเรามันไปกับใจของเราต่อไปเหมือนกับถ้าเราเรียนหนังสือปีนี้เราสมมุติวเราอยู่เมืองนี้แล้วจบป .6 นี้พอเราย้ายบ้านไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเราก็ไม่ต้องมาเรียนป .6 ใ ห, หม่เราก็ไปต่ อ, อม .1 ได้เลยทันใดถ้าเราทําบุญบรารมีอยู่ในระดับไหนพอเราไปเกิดชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะ บำเพ็ญบารมีในระดับนั้นต่อไปไม่สูญหายไปไหนเราจะทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบารมีทั้งสิบนี้ต้องบำเพ็ญให้มันเต็มร้อยที่เรียกว่าสุปฏิปันโนทําให้มันเต็มที่เต็มร้อยแล้วมันจะได้ส่งผลได้อย่างเต็มที่นั่นเองบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือเราจะไม่ทําบาน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปวดโกโหกหลอกลวงใครเพราะการกระทำบาปนี้เป็นการไปผิดทางไม่ได้ไปถู่ทิศทางที่บ้านเราตั้งอยู่บ้านเราอยู่ทางเหนือแต่ถ้าเราไปทำบาปนี้มันจะดึงจิตใจเราไปทางใต้<ม>ไปลงต่ำไม่ได้ไปขึ้นสูงดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะลงต่ำเราต้องไม่ทำบาป เขาถ้าทำบาปแล้วตายไปนี่มันไม่ได้ไปสวรรค์ไม่มันจะไปอบายแทนไปเกิดเป็นเดรัจฉาเนเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปนรกอันนี้ไม่ใช่เป็นทิศทางที่เราต้องไปเราต้องปิดปิดทางนี้ด้วยการรักษาสีลห้าถือสินห้าเป็นนิสัยพยายามฝึกหันให้มันเป็นนิสัยเพื่อต่อไปพบต่อไปชาติต่อไปเราก็จะได้กลับมาเกิด ก, กลับมารักษา ศีลต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกเราส mm hmm. ังเกตดูทําไมคนเราจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็มีนิสัยชอบทำบาป mm hmm. ชอบโกหกชอบหลอกลวงพูดชอบประพฤติผิดประเพณีชอบรักทรัพย์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนก็ไม่ชอบทำสิ่งเหล่านี้เลย mm hmm. ก็เพราะว่าชาติก่อนเคยทําอะไรมาอย่างไร mm hmm. มันก็จะติดนิสัยมาอย่างนั้น mm hmm. ถ้าติด ถ้าเคยรักษาศีลมามันก็จะมารักษาศีลต่อถ้าทำบาปมันก็จะกลับมาทำบาปต่อแต่เราไม่ต้องการไปในทิศทางที่บาปจะพาไปเราต้องการปิดทางนี้เราก็ต้องมาถือศีลกันรักษาศีลให้ได้นี่คือข้อที่สมของบา ร, รมีคือศีลบา ร, รมีข้อที่สี่ก็คือเนคขมภะบา ร, รมีก็คือการออกบวชนี่การถือศีลแปดขึ้นไปเรียกว่าเนคขมะบา ร, รมี คือการหยุดยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปกินไปเด่นไปไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆแล้วเพื่อที่เราจะไดะ้มีเวลาที่เราจะได้ไปแสวงหาความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการสงบความสุขที่เกิดจากการทําใจให้เป็นอุเบกขา อันนี้ก็บารมีสองข้อนี้ไปด้วยกันคือเมขัมมะบารมีกับอุเบกขาบารมีคือเราถือศีลแปดเราหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญสติกรรมฐ า, านเจริญสติเพื่อหยุดความคิดนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเข้าสมาธิได้ก็เราก็จะได้อุเบกขาอุเบกขาก็คือใจที่เป็นกลาง ใจที่ปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับผู้ที่จะต้องการเดินทางไปให้ถึงบ้านของตนต้องทำใจให้เป็นกลางให้ได้เพราะถ้าใจยังมีอคติอยู่อคตินี้จะดึงใจให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้ารักก็จะยึดจะติดถ้าชังก็จะยึดจะติดต้องไม่รักไม่ชังต้องเฉยเฉยได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็เฉยเฉยไป ใครจะชมก็เฉยๆไปใครจะด่า ก, ก็เฉยๆไปถ้าเฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์ถ้าไปยินดีเวลาใครชมพอเขาไม่เขาพอหลังเขาไม่เขาไม่ชมเราเราก็เสียใจถ้าไปไม่พอใจยินร้ายกับการตำห น, นิตีเตียงใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีออเบกคาจากสมาธินี้ใจของเราจะเฉยๆเฉยๆได้ เพราะเพราะมันก็เป็นแค่เสียงเสียงลมนั่นเองคำพูดนี้มันเป็นเสียงลมเขาด่าเรามันก็เป็นเสียงลมเขาชมเรามันก็เป็นเสียงเสียงลมถ้าเราไม่ไปให้ความหมายกับมันแล้วมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอะไรเราไปบ้ากับคำคาชมคำด่าของเขาเท่านั้นเองถ้าเรามีสติมีปัญญารู้ว่ามันเป็นแค่เสียงนั่นเองมันไม่ได้ทำให้เราดีรูชื่อจากการชมหรือการด่าของเขาหรอก อาเรารู้อย่างนี้มันก็จะทําให้ใจเหล่านี้ไม่เดือดร้อนเฉยๆไปไม่ทุกกับเสียงไม่ทุกกับรูปเสียงกิเลสเห็นรูปเสียงกิเลสก็เฉยๆไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้แหละจะทําให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยการเจริญอุเบาขาเนี่ยคำว่าบรารมีการอเบขาบารมีแล้วข้อสุดท้ายก็คือเจริญปัญญา ต้องพยายามศึกษาหาความรู้หาความความเป็นจริงของชีวิตว่าอะไรเป็นอะไรโลกนี้เป็นโลกที่เที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่โลกนี้เป็นโลกของความทุกข์หรือโลกของความสุขกันแน่โลกนี้มีตัวมีตน ม, ม, มีสัตว์มีบุคคลอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่าหรือมีเพียงแค่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันอยู่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมันก็แยกสลายแยากกันไปคนละทิศคนละทางนี่ก็คือการ ศึกษาหาความรู้ทางทางทางปัญญากรู้รู้สัจธรรมความจริงของชีวิตรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่มีไม่เที่ยงแท้แน่นอนรู้ว่าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรารู้ว่าถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากมันก็จะทำให้เราทุกขขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้จากผู้ที่รู้ มาเวลามาเกิดก็ต้องคอยศึกษาให้เข้าใจให้ได้ให้เข้าใจธรรมชาติของโลกนี้ว่าเป็นอะไรให้เข้าใจว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรกันถ้าไม่มีไม่มีใครสอนก็ต้องค้นคว้ า, schauen, า, าเอาด้วยปัญญาของตนโดยใช mm ้ห hmm. ลักเหตุหลักเหตุผลถ้าทำอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าคิดอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าคิดอย่างนี้แล้วทาให้ทุกข์ขึ้นมาก็าหยุดคิดแบบนี้ ถ้าคิดแบบนี้แล้วทำให้เ hmm. กิดความสุข hmm. ข kind of mm ึ้นมาก็ให้คิดแบบนี้ไปต้องรู้จักดูทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าการกระทําของเราคือความคิดของเรานี้มันนําพาไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ันถ้านําไปสู่ความทุกข์เราก็หยุดคิดแบบนี้ถ้านําไปสู่ความสุขเราก็จะคิดแบบนี้เช่นคิดว่าถ้าเรามีเมตตาเราก็จะมีความสุขแล้วถ้าเราให้อภัยผู้อื่นได้เราก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้เราก็จะมีความสุขถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะเจอความทุกข์ถ้าเราไปจองเวรจองกรรมเราก็จะมีความทุกข์อันนี้เราสามารถศึกษาได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจของเรานี่เองดูที่ใจของเราเป็นหลักว่าใจของเราสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะคิดแบบไหนคิดแบบนี้ทุกข์เราก็พยายามอย่าไปคิดมันคิดแบบนี้เราสุขเราก็คิดแบบนี้ไป เมื่อเราคิดแล้วมันก็จะพาเราไปสู่การกระทําต่อไปคิดว่าทําแบบนี้มีความสุขเราก็ไปทําคิดว่าทําบุญทำทานแล้วมีความสุข <etry. S 2> เราก็ไปทําบุญ ท, ทําทานคิดว่ารักษาศีลแล้วทําให้เรามีความสุขเราก็ไปรักษาศีลกันคิดว่าไปปฏิบัติเนคขมะไปบวชแล้วทําให้เรามีความสุขเราก็ไปบวชกัน <é, S 2> คิดว่าไปฝึกสตินั่งสมาธิแล้วทําใจของเราให้สงบเรามีความสุขจากความสงบเราก็ไปทํากัน ไม่ต้องไปถามกายว่าทำไมทำทำทำไมคำตอบมันอยู่ในใจของเราเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทำแบบนี้แล้วทำให้ใจเราทุกข์ก็อย่าไปทำมันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วใจเราไม่สบายใจไปรักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วใจเราไม่สบายใจเราก็อย่าไปทำมันของพวกนี้บางทีไม่ต้องมีใครสอนก็ได้ถ้าเป็นคนฉลาดพอสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ของพวกนี้พระพุทธเจา้าเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าความรู้เหล่านี้เพราะไม่มีใครสอนพระพุทธเจา้า <c oughs> คนที่สอนก็มีความรู้น้อยกว่าพระพุทธเจา้า <c oughs> ความรู้ที่พรุทธเจ้ายังไม่มีไม่ยังไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้ <c oughs> มาทำไมใจของท่านยังต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ <c oughs> พอท่านบอกว่าพราะคิดแบบนี้มันก็ทุกข์เองพอพราะคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรามันก็ทาให้เราทุกข์ขึ้น พอไปคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็หายทุกข์ึน้นมันก็เห็นความจริงว่าใจเราไปหลงมองไม่เห็นความจริงความจริงร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นแค่กันดินน้ำลมไฟเป็นของพ่อของแม่ทำขึ้นมาเหมือนตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เรามาเล่นท่านเองแต่เราไปหลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นมาตัวเราก็คือผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเอนี่คือสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของปัญญา ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีใครสั่งสอนเราเราก็ต้องใช้ปัญญาต้องรู้จักคิดคิดเองคิดถึงเรื่องเหตุและผลเหตุก็คือความคิดการกระทําของเรานี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลคือสุขหรือทุกข์ขึ้นมาในใจเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็เราก็อย่าไปคิดไปทําในสิ่งที่ทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราต้องการความสุขแล้วก็ไปคิดไปทําในสิ่งที่ทําให้ใจเรามีความสุข เราก็จะมีปัญญาขึ้นอันนี้คือบารมีที่พระเจ้าทรงให้สอนให้บําเพ็ญอย่างสม่ําเสมอทุกภพทุกชาติเป็นการสะสมสะเสบียงและการที่เราจะสะสมสะเสบียงได้เราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่เรียกว่าสัจจะอธิษฐานอันนี้ก็เป็นบารมีเงินถ้าเราไม่มีความตั้งใจว่า เกิดมาทุกพบทุกชาติหน้านที่ของเราก็คือมาสะสมสเบลกันเหมือนทุกครั้งที่เราจอดหนาสถานีบริการเราก็ต้องเติมน้ํามันกันเติมลมเติมน้ําเติมอาหารเติมอะไซื้อข้าวซื้อของไปไม่ใช่ไปจอดที่สถานีบริการแล้วก็ไปเล่นเกมกันไปเล่นอะไรกันแล้วพอถึงเวลาก็ขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้เติมน้ํามันไม่ได้กินข้าวไม่ได้ซื้ออาหารติดตัวไปเดี๋ยวเดินทางไปกลางทางรถมันก็เสียมันก็ไปไปไม่ถึงไหน นทุกครั้งทุกที่ทุกภพทุกชาติที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราต้องมีสัจจะอธิษฐานตั้งอยู่ในใจว่าเราจะมาสะสมสะเสบียงกันเราจะมาทาั้งบาลมีต่างๆแล้วพท่านบาลามีสัจจะบารามีแล้วเราก็ต้องมีวิ ร, ยริยะบารมีคือความขยันหมั่นเพียรที่จะทําทตามที่เราตั้งใจเอาไว้ตั้งใจจะจะจะสะสมบรารมีเหล่านี้ก็ต้องทํากันถึงเวลาทําทานก็ทําทานถึงเวลาลักเสียงก็น่ารักษาศียง ถ้ามันยากมันลาบากก็ต้องใช้ขันติคาามุดทนเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถสร้างบารมีต่างๆได้ก็คือสัจจะอธิษฐานวิรยะแล้วก็ขันติบารมีนี่แหละคือวิธีการของการสะสมบารมีต่างๆเพื่อที่เราจะได้เป็นที่พึ่งของเราในอนาคตถ้าพบนิชาินี้เรายัางเดินทางไม่ถึงถึงบ้านของเรา ชาติหน้าแล้วเวลาเรามาเกิดแล้วไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเราก็จะมีนิสัยที่อยากจะมาสะสมบา ร, รมีอยู่เรื่อยๆแล้วบา ร, รมีที่เราสะสมเหล่านี้ถ้าเราได้สะสมอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้ไปถึงบ่านของเราได้เราจะเป็นพระสีห์อานขึ้นมาก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้หรอกว่าพระสีหานตอนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ท่านก็ต้องมาสร้างบา ร, รมีอย่างที่พวกเรากําลังมาสร้างกันนี้แหละ แล้วอาจจะเป็นพวกเราก็ได้หนึ่งในพวกเรานี้ที่จะไปเป็นสีอานต่อไปถ้าสีอานต่อไปก็ได้ mm. น, นนี่แหละคือเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการสะสมสะเสบียงคือบุญบา ร, รมีต่างๆเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเหมือนกับการไปจอดแว้ตามสถานีบริการ mm. เมื่อเราแวะทางสถานีบริการสิ่งที่เราต้องทาก็คือเติมน้ามันเติมน้าเติมลมซื้ออาหาร mm. เข้าห้องน้าห้องท่าพอน บรรเทาความทุกข์ไปต่างๆทำตามเพื่อที่เราเดินทางต่อไปเราจะได้เดินทางไปอย่างสุขอย่างสบายสั้นใดาการมาสะสมบารมีก็เช่นเดียวกันมันจะพาให้เราได้ไปเดินทางไปสู่บ้านของเราได้ในที่สุดอย่างปลอดภัยอย่างสบายใจ mm hmm. นี่ก็คือเรื่องของการมาสะสมสบายงมาสร้างบุญบารมีต่างๆ mm hmm. ที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จยขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตจิ น, นังเทตานาังอุ ป, ปกบปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวาจันโุสัพพะโรโววินาศตุมาเตภวัตวันตายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริตสะนิจังวุฒาปะจายโน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 ก็ส่งมาทางเพจทางเฟ e บุ๊กทางยูทู e ได้อยู่วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุฏจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ442 422ท่านค่ะ YouTube พระสุชาติไลฟ์291 YouTube ดรวี62 Clubhouse 5วิทยุออนไลน์10หน้ากุต143รวมทั้งหมด933ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุตค่ะดีฉันทุกข์ใจมากเรื่องลูกชายไม่ค่อยไปโรงเรียน อารมณ์โกรธมโหง่ายและลูกชายมีความก้าวร้าวพยายามให้สวดมนต์ไหว้พระ ดิฉันพยายามสวดมนต์ไหว้พาแผแเมตตาไปให้เขาบ่อยๆและพยายามพาเขามาฟังธรรมดิฉันอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ดิฉันพยายามทำอยู่ตัวลูกชายและเจ้ากรรมในเวรของเขาจะได้รับไหมคะและลูกชายดิฉันจะเป็นเด็กดีขึ้นไหมคะดิฉันทุกข์ใจมากและพยายามปรับใจให้ยอมรับความจริงให้ได้คะ่ะสาธุคะ่ะเบื้องต้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า เขาเป็นอย่างนี้เราจะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เลยทุกมันเขาเป็นกล้วยอยากจะให้เขาไปเป็นแอปเปิ้ลมันก็เป็นไม่ได้นอกจากหาวิธีกลายพันธุ์กล้วยให้กลายเป็นแอปเปิ้ลต่อไปก็อาจจะกแก้ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ขเขาเกเรเขาไม่ชอบเรียนหนังสื อ, ขอเขาเก้าแล้ว จะเปลี่ยนให้เขาเป็นตรงกันข้าวนี่มันยากแต่หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือเราก็ต้องสอนเขาบอกเขาว่าอย่าทาอย่างนี้นะให้ทาอย่างนี้เขาทาได้เท่านี้ถ้าเขาเชื่อเขาก็อาจจะเปลี่ยนตัวเขาได้ถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เปลี่ยนเราทาอะไรไม่ได้เราไปทุกจนวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะ เ, เราต้องยอมมองความจริงแล้วทาตามหน้าที่ทาในสิ่งที่เราทำได้ ส่วนที่เราทำได้ก็คือสอนเขาส่วนที่จะเปลี่ยนนี่เขาต้องเป็นผู้เปลี่ยนเองถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยน ก, ก็ก็เปลี่ยนไม่ได้คำถามจากผู้เราฟังน้ากูดค่ะลูกสวดมนต์ทุกวันวัละสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงบางครั้งนั่งสมาธิต่อบางครั้งไม่ได้นั่งแต่สวดมนต์ พยายามพุโทโธพุธโทโธตอนที่ไม่ได้ใช้ความคิดแต่กำลังน้อยพระฟุ้งซ่านเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวมีแต่ปัญหามาให้แก้ถึงไม่ช่วยก็จะโดนว่าต้องช่วยคือต้องหาทางช่วยรู้ตัวว่ายังขาดสติค่ะขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำว่าต้องฝึกเพิ่มเติมแบบไหนขึ้นอีกคะแต่ก็ไม่ได้โกรธเวลาโดนว่าจะเฉยค่ะขอบคุณกราบสาธุ ค, ค่ะก็ต้องเฉยด้านน่ะ ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาทไรไํราไเราทำไรายได้เราก็ทำไปทำไม่ได้ก็ก็ไม่ทำแค่นั้นเองคำถามจากผู้รับฟังนะ้ากูดค่ะสมาธิเป็นสิ่งที่เสื่อมได้แต่ทำไมถึงสามารถติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้คะออตัวสมาธิตัวผลมันไม่ตามไปแต่ตัวตัวเหตุก็คือการกระทามันตามไป เราเคยฝึกนั่งสมาธิเราก็จะติดนิสัยนั่งสมาธิไปเราสามารถไปสร้างสมาธิใหม่ได้เพราะผลมันเกิดจากเหตุคือการกระทําเรากระทาอะไรบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเราก็สามารถที่จะไปสร้างสมาธิใหม่ได้ในพรน้าชาติน้าต่อไปถ้าผู้ทุชนได้ล่วงเกินพระอริยสงฆ์ทางวาจาโดยการปราโมทไปแล้วในอดีต สามารถขอขอมาทางใจเพื่อแก้กรรมได้ไหมคะไม่ได้หรอกกรรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้ดังนั้นแต่การทำนึกผิดนี่ก็เป็นเป็นการแก้กรรมในอนาคตได้อยู่ถ้าเราทำนึกผิดว่าเาการไปปลามาสผู้นี้นไม่ดีเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราก็อยากไปปลามาสเขาเราก็จะไม่ทำใ น, ในสิ่งที่ไม่ดีต่อไป คำถามจากทางยูทูบด็อกเตอร์วค่ะลูกนั่งสมาธิปวดขาก็แค่รู้ไม่ไปตามดูไม่นํามาปรุงแต่งปรากฏการทางร่างกายต่างๆไม่ไปตามดูไม่นํามาปรุงแต่งแค่รู้อยู่เฉยๆแล้วให้ลูกอยู่กับสภาวะแบบนี้จนกว่าจะออกจากสมาธิเองใช่ไหมเจ้าค่ะหลังจากออกสมาธิก็ให้รู้เฉยๆต่อไปใครดาเราก็เฉยๆไปใครชมก็เฉยๆไป การฝึกสมาธินี้เป็นการฝึกความเฉยเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในชีวิตจริง mm hmm. เวลาเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆนี้เราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจว่าวุ่นขุ่นงวัวเดือดร้อน mm hmm. ถ้าเราฝึกสมาธิมีโอเบคาวางเฉยได้เราก็จะเฉยต่อไปได้คำถามจกพู้รับฟังนะกุดค่ะ ผู้หญิงนิพพานได้ไหมเจ้าคะถ้าไม่ออกทุโดงหรือถือศีลเป็นคารวาสจะนิพพานได้ไหมเจ้าคะคการไปถึงนิพพานนี่มันไปได้ทุกคนนะไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเด็กว่าผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าไปทำหรือไม่ทำนั่นหนึ่งถ้าทำกัก็ไปได้ถ้าสุปฏิปันโนก็ไปได้ส่วนในวิธีการปฏิบัตินี้ก็อาจจะปรับปรับแผนได้ เป็นผู้หญิงอาจจะไปอยู่ในป่าไม่ได้ยังไก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ก็ต้องหาวิธีที่จะที่จะ เ, เหตุที่ไปอยู่ในป่ามันก็มีหลายหลายเหตุด้วยกันเหตุอันหนึ่งก็เป็นที่สงบที่ทําให้เราเจริญสตินั่งสมาธิได้ง่ายถ้าเราไปไม่ได้โอกาสที่เราจะเจริญสตินั่งสมาธิมันก็จะยากก็จะช้า แต่ถ้าเราพยายามเจริญสติไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เจริญได้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการไปเจอไปอยู่ในที่ยากลำบากจิตใจเราจะได้เข้มแข็งอดทนมีขันติแล้วก็เผชิญกล้าเผชิญกับความจริงก็คือความตายเพราะวันหนึ่งทั้งหน้าเราก็ต้องตายกันทุกคนถ้าเราไปอยู่ในที่มันรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตเรามันอาจจะทาให้เราต้อง โปรงเตรียมโปร่งไว้ก่อนเตรียมตัวยอมรับความจริงไว้ก่อนแต่ถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็จะไม่มีข้อสอบให้เรามาทํากันไม่มีไม่มีการบ้านให้เราทํางั้นมันก็ก็พูดยากนะว่าจะไปได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ละคนก็ต้องหาวิธีไปก็แล้วกันก็ต้องไม่หนีหนีไม่พ้นศีลสมาธิปัญญาเป็นหลัก คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะสําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องเวลาเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ควรบอกกับตัวเองอย่างไรขอความเมตตาให้คําแนะนําด้วยเจ้าค่ะก็ปล่อยมันเป็นใบตามธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อเราดูแลมันไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปก็จบต่อให้มีคนดูแลร้อยคนพันคนมันถึงเวลามันจะตายมันก็ตายอยู่ดี อย่าในที่สุดมันก็ไปจบที่เดียวกันก็คือที่ความตาย ม, มีคนดูแลหรือไม่มีคนดูแลมันก็ไปเจอไปเจอกันที่เดียวกันก็คือเจอกันที่มเมนที่วัดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหอยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายคิดอย่างนี้ก็แล้วกันก็จบคําถามจากผู้เราฟังนะ้ากูดค่ะ ลูกมีความทูกทางโรคประจำตัวรักษาทุกอย่างก็ไม่หายสวดมนต์นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมานานแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยอยากขอแนะนำด้วยค่ะอาการของโรค ก, ก็คือผื่นคันจุดแดงตามตัวทำให้ขาดความมั่นใจและวิตกกังวลมากค่ะอ๋อการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธินี่ไม่รักษาร่างกายมันรักษาจิตใจรักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย แต่เรื่องของร่างกายก็ต้องอาศัยหมออาศัยยาถ้าหมอหรือยาช่วยไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายไปคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะผมขออนุญาตสอบถามว่าการช่วยตัวเองถือว่าผิดศีลข้อสามไหมครับขอคารว่าไม่ผิดหรอกเป็นศีลของพระพระพุทธเจ้าไม่ให้ช่วยตัวเองแล้วมันก็เป็นวิธีเสพการในรูปแบบหนึ่ง มันก็เป็นกิเลสกามาตันหาอยู่ดีแต่สำหรับคารวะนี้ไม่ได้มีข้อห้ามนะี้เพียงแต่ว่าถ้าถึงศีลห้าก็อย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นเขาอย่าไปมีชู้อย่าถ้าถึงศีลแปดก็ไม่ให้มีการร่วมหลับนอนกับใคร อ, อ, อยากจะช่วยตัวเองหรือไม่อนี้ก็ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อ บ, บ่งบอกว่าจะห้ามหรือไม่ห้ามก็อยู่ที่เราอยู่ที่ผูป้ปฏิบัติว่าอยากจะห้ามไหมห้ามตัวเองมันก็ดี ค่ไมห้ามคาถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะออกจากงานซื้อหมามาเลี้ยงสองตัวหลังฟังทหลังฟังทำหลวงพ่ออยากปฏิบัติให้มากขึ้นจึงให้หมาสองตัวกับคนที่รักและดูแลดีมากเขาจะมารับไปปีใหม่แต่น้องสาวบอกให้ไปมันเป็นบาปส่วนลูกชายบอกเหมือนเอาเขาไปทิ้งโยงทําถูกหรือไม่เจ้าคะ ถ้าไม่ได้ทิงเนี่ยก็มีคนรับช่วงดูแลแทนเราต่อไปแค่นี้ไม่บาปหรอกจะบาปตรงไหนเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทุบตีเขาเพียงแต่ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้นะเราก็หาคนอื่นนํามาทําหน้าที่แทนเราเถ้ามีคนมาทํามันดีไม่ดีก็อาจจะทําดีกว่าเราก็ได้ใครจะไปรู้บางทีเขารักหมามากกว่าเราก็ได้ค่ะคําถามจากทางส่ง ทางเฟซบุ o กนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผมบวชพระมาสามมาสามพรรษาแล้วตอนนี้โยมพ่อโยมแม่ผมมีนิสินเยอะมากเจ้าหนี้ตามมาอยู่เรื่อยๆท่านต้องหนีไปหางานทำบางทีก็มีงานบางทีก็ไม่มีงานโยมน้องต้องคอยช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ก็คงไม่พอครับ ผมพูดทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้ราศิกขาเพศไปช่วยท่านแต่ท่านไม่ยอมให้ราศิกขาบอกบอกว่าบอกว่าออกมาแล้วเป็นห่วงผมนี่นั่นท่านว่าจะแก้ปัญหาเองไม่ให้ผมยุ่งคิดมากให้ผมอยู่ในนี้ท่านมีความสุขท่านสบายใจและในใจผมก็ยังไม่อยากออกศิราศิกขาด้วย แต่อย่างว่าคงยากครับที่จะไม่ให้คิดพ่อๆแม่ผมควรต้องอยู่ต่อหรือฝืนโยมพ่อยมแม่ราศิกขาออกไปดีครับอคุณต้ัดสินใจเอาเองเลยถามเราทําไมเวลาคุณทำอะไรไม่ใคยมาถามเราเลยเอามันจเรื่องศึกจะมาถามเราทําไมจะโยนบาปให้เราเลย ก็โทษอาจารย์บอกให้ศึกอ่าไปอาจารย์ไม่ให้ศึกก็โทษอาจารย์อยู่แลอาจารย์ไม่ให้ศึกอีกเรื่องของเราเรื่องส่วนตัวนี่ตัวใครตัวมันต้องตัดสินใจเอาเอง <c oughs> เวลากินข้าวไม่ไมาถามว่ากินข้าวได้หรือเปล่าอาจารย์ถามออนันมัน <c oughs> เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักตัดสินใจเอาเอง แต่ถ้าจะถามเมื่ออยู่ดีกว่าไปเพราะเรื่องทางโลกมันก็ไปแก้ยังไงมันก็ไม่จบหรอกนี่ไม่ดีเดี๋ยวเราไปสร้างนี่ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้อยู่ทางทําได้อยู่ไปเถอดพ่อแม่เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาอยากให้เราอยู่ต่อไปใช้ด้วยซ้ำไปอยู่แล้วก็มีความสุขถึงแม้เขาจะมีทุกมีนี่แต่เขาไม่ทุกข์กับนี่ก็ได้เขาอาจจะทุกข์กับการที่เรามาสุกมากกว่าก็ได้ พิฉนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้เขาทุกข์ก็อยากศึกก็แล้วกันตามความเห็นของเรานะบางทีกิเลสมันชอบหลอกค น, คนบวชนะ ห, หาเหตุให้ไปศึกกันไม่ใช่อะไรหรอกโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ยังไม่มีัไม่มีก <คำ S 2> ็แค่นี้ก่อนนะ